เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อธิบายถึงการพิจารณาผัสสะเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงผู้เจ้าให้พิจนาอะไรพิจารณาผัสพิจารณาอย่างตากระทบรูปให้พิจารณารูปพิจารณารูปตาพิจารณาจากักรวิญญาณพิจารณาจากักรสัมผัส และเวทนาอันเกิดจากตาสัมผัสเป็นเหตุซึ่งพูุทธเจ้าบอกว่าเมื่อบุคคลไม่กำหนัดไม่ติดพันไม่ลุ่มหลงตามเห็นโทษอยู่เนืองเนืองอุปทานขันท์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดอีกต่อไป <c oughs> และประเด็นที่สำคัญคือต้องการให้เห็นว่าการทำเพียงแค่นี้พรพุทธเจ้าบอกว่า มักมีองค์แดครบนะพระองค์จึงบอกว่าทิฏฐิของเขานั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสตสิของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขานั้นเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม นั่นก็คือถ้าใจมันไม่คิดผิดกายวาจามันก็ผิดไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้แลอริยะอัตถังคิกามักอันเป็นอริยะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญด้วยการทำแค่นี้นะมักแ8ดครบขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยและเขท่านก็บอกต่อไปว่า เมื่อเขาทำมรคแปให้ครบอยู่อย่างนี้สติปฐาน4ก็ครบสมปรปทาน4ครบ อ, อินทิบาท4ครบอินรีย์5ครบพระละ5ครบโพชฌง7ครบสมะถะและวิปัสสนาของเขาย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปนะสมถาวิปัสสนาก็ครบโพธิปัจขยธรรม37 3สครบมรคแปครบนะนี่คือลักษณะของการครบของธรรมมะทั้งหมด ที่เราใช้มรรควิธีบางมรรควิธีง่ายๆแค่นั้นเหมือนกับการละนันทีอนาปานสตินะหรือพินาผัสสะกระจายผัสสะออกอย่างนี้พระองค์บอกว่ามรรคจะครบทั้งหมดเลยนะมรรคครบหมดโพธิปัจขยธรรมส7ก็ครบนะสมถาวิปัสสนาก็ครบนะ นี่คือลักษณะมรรควิธีอย่างง่ายที่เมื่อกระทาแล้วเนี่ยจะทำให้ <c oughs> มรรคทั้งหมดเกิดขึ้นมาครบพร้อมๆกันนะ <c oughs> น, นี้เมื่อลราวที่แล้วก็ได้อธิบายไปถึงตรงนี้ <c oughs> แลพระองค์ก็บอกเรื่องของอริยสัจสี่นะโดยย่อว่าสิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็คืออุปทานขันธ์ทั้งหลายสิ่งที่ควรละก็คืออวิชชาและภาวะตัณหานะความไม่รู้กับภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภบตัณหาในการที่จิตเนี่ยมันไปสร้างภพ นี่คือสิ่งที่ควรละนั่นคืออาการที่จิตเนี่ยออกไปสร้างพบการที่จิตเคลื่อนออกไปมีการมาการไปนี่คืออาการที่ต้องละนะทำเหล่าไหนอันปลุกคนพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอาวิชชาด้วยภวะตัณหาด้วย เพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังละอวิชาละภาวะตัณหาความเพียรตรงนั้นเป็นความเพียรที่ถูกต้องนะจะมาพูดว่าเป็นความเพียรที่ผิดไม่ได้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคนคนหนึ่งกำลังทำความเพียรเพื่อละภาวะตัณหาคือตัณหาในการสร้างอารมณ์หรือสร้างภพแล้วบ อ, อกว่าขณะนี้ทำความเพียรผิดนะนี้จึิงต้องมีวิธีตรวจสอบ ว่าเพียรของเราที่ทาอยู่เนี่ยถูกหรือผิดนะโดยในยะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> ทาเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาคำตอบคาตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วย ในบางพระสูตรก็จะบอกว่าอริยมรตมีองค์แปดในพระสูตรนี้จะบอกสมถะกับวิปัสสนานั่นก็คือตัวสมถะวิปัสสนาเป็นการพูดมรตแปดย่อเป็นสองนี่เวลาเราเชื่อมธรรมะดูเชื่อมให้เป็นนะพรเจ้าจะพูดแบบฟอร์มอื่นของธรรมะเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนมรก8เป็นสมถะกับวิปัสสนาใส่เข้าไป หรือบางทีเปลี่ยนมักแปดเดงออกมาใส่คำว่าสินสมาธิปัญญาเข้าไปเราจะรู้ว่าถ้าผู้เจ้าพูดย่อเป็นสาคือสินสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อเป็นสองคือสมถาวิปัสนาในมักมีองค <c oughs> ์แปดทำเหล่าไหนเล่าพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาพระองค์ก็บอกวิชาและวิมุต ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าอนเยสสัสสีตรงนี้จะเรียงว่าทุกสมุทัยมักนิโรธทำไมไม่เรียงทุกสมุทัยนิโรธมักน ะ, อ, นะอันนี้ก็อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วปกติผู้เจ้าก็จะ เรียงทุกสมุทยนิโรธมักอยู่ตลอดและก็บอกว่าอย่าไปจัดลำดับใหม่แต่ตรงนี้การที่ผู้เจ้าได้เอามักขึ้นมาก่อนเนี่ยและเอานิโรธเนี่ยมาต่อท้ายเนี่ย คือนิโรธตัวนี้เป็นตัวผลนิโรธเนี่ยคำนี้ใช้ได้สองความหมายมีคนถามผู้เจ้าว่าคำว่านิโรธนิโรธนี้คือความดับแห่งอะไรเพราะองค์บอกว่าคือความดับแห่งขันทั้งห้านะเพราะฉะนั้นถ้าขันทั้งห้าดับ ถ้าขันทั้งห้าดับนะมันก็คือวิมุตต์นั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่านิโรธจึงหมายความว่าวิวมุตต์ด้วยไวยพจน์ของคําว่านิพพานมีสามสิบี่สิบคำหนึ่งในนั้นก็คือคําว่านิโรธนะหมายถึงนิพพานด้วยเหมือนกันอมตะหมายถึงนิพพานวิมุตต์หมายถึงนิพพานอย่างนี้ นิโรธก็หมายถึงนิพพานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่า น, นิโรธเนี่ยใช้ได้ทั้งระบบสมมติแล้วก็วิมุตติสมมุติก็คือขัน5ความดับของกัน5และถ้าขันห้าดับทั้งหมดมันก็คือวิมุตติโดยอัตโนมัตินั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ สิ่งที่ต้องทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าบอกว่าวิชาวิมุตต์ ด, ด้วยตรงนี้จะเอามาปิดท้ายเอามาต่อจากมกรรค ท, ที่จเจริญแล้วด้วยสมถาวิปัสนาแล้วก็ให้ได้ผลคือวิชาวิมุตต์แต่ท่านนิโรธหมายถึงความดับของขันห้า จะต้องเอานี้โลดขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยมรคคืออะไรมารคมี8 ง, งอันนี้ให้เราสังเกตตรงนี้ไว้นิดหนึ่งต่อไปเรื่องฉลาดในฐานะ7ประการ และใครควรทำโดยวิธี3ประการส ต, ตัตฐานะกุศโลฉลาดในฐานะเประการติวิทูปะ ป, ะปะริขีพิจารณาใครควรทำโดยวิธี3ประการท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้พิจารณาใครควรทำโดยวิธี3ประการเราเรียกว่าภิกษุผู้เกพลีอยู่จบกิจแห่งพรมจารย์นในธรรมวินัยนี้เกพลีในที่นี้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าพระอรหรันต์ ก็ภิกษุผู้ชลาดในฐานะเจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งรูปซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปซึ่งอัศทะแห่งรูปซึ่งอาทีนะแห่งรูปซึ่งนิศลนะแห่งรูป เอย่างก็คือรู้จักตัวอริยสัจ4ีนั่นเองแล้วก็อีก3ามเรื่องนะคืออสาธาอธีนวะแล้วก็นิสรณะอริยสัจสีรู้ลูกก็คือรู้จักรูปเหตุเกิดของมันความดับมันวิธีดับมันนะแล้วก็อสาธาคือลดอร่อยโทษแล้วก็อุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันนี่คือ7อย่าง ใครจะจับมรรควิธีตรงนี้ไปทำก็ได้เห็นอาาริยสัจของมันนะเห็นลดอร่อยเห็นโทษเห็นอุบายเครื่องออกไปพ้นในรูปเบชน า, าสัญญาสังขารวิญญาณห้าตัวนี้นะดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นอย่างไรเล่ามหาภูตารูปทั้งหลายสี่อย่างด้วย รูปที่อาศัยมหาภูตารูปทั้งหลาย4อย่างด้วยสอดคล้องกันไหมกับที่พระองค์เคยอธิบายไว้ในอีกที่หนึ่งว่ารูปมี2อย่างคือรูปภายนอกกับรูปภายในตัวรูปภายในคืออุปาทายรูปนี่ก็ลักษณะเดียวกันอุปาทายรูปก็คือรูปที่อาศัยมหาภูตารูปทั้ง4ี่ และตัวมหาภูตรูปทั้งหลายสอย่างมหาภูตธาตุหรือมหาภูต ร, รูปก็คือดินน้ำไฟลมสี่อย่างนี้ <c oughs> เช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำลําธารต่า ง, างๆเหล่านี้เรียกมหาภูต ร, รูปหรือมหาภูตธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศแต่รูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ก็คือเช่นร่างกายเราคนสัตว์อย่างนี้พวกนี้อาศัยมหาภูต ร, รูป หรือเป็นรูปที่มีอุปทานมีความยึดอยู่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่ารูปการเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอาหารนี่เป็นการแตกรูปธรรมะอีกเหมือนกันถ้าเรา เคยไปฟังในพระสูตรอื่นจะเห็นว่าเหตุเกิดของรูปนามคืออะไรวิญญาณรูปและนามเกิดมาจากวิญญาณแต่นี่เหตุเกิดของรูปเพราะอะไรอาหารไม่ใช่วิญญาณอีกแล้วนี่เป็นการลงรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรูปแค่ตัวรูปแต่ถ้าบอกวิญญาณนั้นก็คือ เป็นการสัมพันธ์เป็นการบอกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานระหว่างวิญญาณกับนามรูปนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับวันก่อนมีโยมคนหนึ่ง <c oughs> มาบอกว่าถ้าวิญญาณออกจากรูปเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปดับเพราะรูปมันยังไม่ดับอืถ้ามองความดับของรูปอย่างเดียวคือรูปต้องแตกสลายจึงจะดับอย่างนี้ แต่จริงๆมันมีสองนัยยะถ้ารูปแตกสลายคือรูปดับใช่หรือวิญญาณเนี่ยออกจากรูปมานี่ก็รูปดับเหมือนกันเหมือนพระเจ้าบอกว่าการปรากฏขึ้นแห่งรูปนามหรือขันธ์ทั้งสี่มีเพราะการปรากฏขึ้นของวิญญาณทั้งๆที่ขันธ์ทั้งสี่ก็มีอยู่แต่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้ก็เท่ากับมันไม่มีถ้าวิญญาณมารู้รูปนามาทาอีกสามอย่างหายไปไหนอะ แล้วมันมีไหมมันมีอยู่แต่มันไม่มีในความรู้ของจิตก็เท่ากับมันไม่มีถ้าวิญญาณกำลังไปคิดอดีตขณะนั้นรู้ลมหายใจไหมไม่รู้นั่นก็คือรูปไม่มีรูปไม่มีก็คือรูปดับนั่นเองมันก็เหมือนกันนามาทำอีกสองอันที่มันดับคือมันไม่มีในความรู้ของจิตนี่คือสองไนยะที่เปรียบเทียบกับตัววิญญาณกับไนยะคือการแตกสลายของตัวมันเองที่แตกสลายไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือพระเจ้าอธิบายในส่วนของตัวมันเองที่มันเกิดได้ก็เพราะว่าอาหารนะความดับไม่เหลือแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอาหารมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริษชอบพูดจาชอบก็ตัดเรื่องมักแป สุคสมนัตใดๆอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอัศาธาของรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาธีนวะแห่งรูปการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจกล่าวคือการละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปอันใดนี้เป็นนิสรนะเครื่องออกจากรูป ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เจ็อย่างเกี่ยวกับเรื่องรูปเห็นหม <c oughs> ท่านอธิบายสิ่งที่ต้องรู้เจดอย่างแล้วจากนั้นท่านก็ค่อยๆ อ, อธิบายเจ็ดอย่างนั้นในส่วนรูปเนี่ยคืออะไรบ้างมาดูแลผู้เจ้าเป็นนักอธิบายที่ทั้งขยันอธิบายแล้วก็เยี่ยมยอดในการอธิบายเหมือนกับถ้าเราเป็น สาวกผู้เจ้าอยู่ในครังพุทธการก็มานั่งฟังผู้เจ้าอาธิบายอย่างนี้นะใช่ไหมว่ารูปเป็นอย่างนี้นะเธอนะเธอต้องรู้7ประการนะ7ประการนั้นส่วนของรูปคืออะไรใช่ไหมเธอหนึ่งเธอต้องรู้จักรูปว่ารูปเนี่ยคือมหาพุทธสธาตุสี่นะแล้วร่างกายเนี่ยที่อาศัยมหาพุทธสธาตุสี่เป็นอุปาทายารูปใช่ไหมแล้วเธอต้องรู้ว่าการเกิดขึ้นของมันเพราะอาหารความดับไปของมันก็เพราะอาหารดับไป ถ้าเราไม่มีอาหารไหลผ่านเข้าไปในร่างกายรูปตายแน่นอนนะและการดำรงอยู่ได้ของมันก็เพราะอาหารไหลผ่านเข้าเวียนเข้าเวียนออกอย่างนี้นะเพราะนั้นพระเจ้าอธิบายให้รู้จกักรูป่การเกิดการดับแล้วก็วิธีดับของรูป ก, ก็คือมรรคแแล้วท่านก็อธิบายอาสาธาลดอร่อยอาทินวะแล้วก็นิสสาระของมันนะอาศะธาอะไร พระ อ, องค์ก็บอกว่าสุขสมอนัตไดใดอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอัาธาของรูปเพราะฉะนั้นของสวยอาหารน่ากินนะกลิ่นหอมนะเสียงเพราะนี่อัสาธาของรูปนะอาทินวะเป็นยังไงนะรูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทินวะแห่งรูป รูปสวยมีความเสื่อมเสียงเพราะมีการดับหายไปนะกลิ่นที่ไม่น่าพอใจมีนะความเสื่อมของกลิ่นมีดับไปได้นี่คือการแปลเปลี่ยนของรูปเสียงกลิ่นลดใครเห็นตรงนี้คือเรียกว่าเห็นอาทีนวะเห็นโทษของมันนะอืมอุบายเครื่องออกไปพ้นคืออะไร การละเสียได้ซึ่งความพอใจนะซึ่งความกำหนัดด้วยนา่นความพอใจในรูปละความพอใจในรูปได้นะ่ะพูดง่ายละความพอใจในรูปได้ตรงนี้ก็คือละความเพลินนั่นเองถ้าเราล ะ, ละความเพลินในรูปเสียงกลินลาา่นรสผลพระได้นะ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลังได้นิสระนะ เครื่องออกไปจากรูปนั้นนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายสมณะหรือพรามเราได้เ่าหนึ่งรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งรูปว่าอย่างนี้คือรูปนี้คือเหตุเกิดความดับเครื่องทำให้ดับนะอาศาทาอาธินวะนิสลานะดังนี้แล้ว <c oughs> เป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบิ่หน่ายเพื่อความสำรอกเพื่อความดับไม่เหลือ แห่งรูปสมณพราหม์เหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วบุคคลเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งรูปว่าอย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้คือความดับไม่เหลือแห่งรูปอย่างนี้คือข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปอย่างนี้คือ <arti> อัศธ า, าแห่งรูปอย่างนี้คืออารถินวะแห่งรูปอย่างนี้คือนิสรณ ะ, ะเครื่องออกจากรูปดังนี้แล้วเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความสํารอกเพราะความดับไม่เหลือเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปสมณะเหล่านั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดีบุคคลเหล่าใดเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเกพลีผู้จบกิจอันบุคคลพึงกระทําบุคคลเหล่าใดจบกิจอันบุคคลพึงกระทําวัตตะย่อมไม่มีเพื่อจะบัญญัติแก่บุคคลเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระหลานจึงไม่มีความผิดนะลักษณะอย่างนี้มันอยู่คนละระบบแล้วนะวัตตะการบัญญัติอะไรต่างๆแก่ท่านเนี่ยมันไม่มีมันบัญญัติไม่ได้นะ วัตตสังสารวัฏนะไม่มนีนี่ท่านอธิบายเรื่องรูปเวทนา <c oughs> เวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเรียกว่าเวทนานี่ท่านให้รู้จักเวทนา เหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมเกิดเพราะผัสสะความดับไม่เหลือก็เพราะว่าความดับไม่เหลือแห่งผัสสะปฏิปทาให้ถึงความดับคือมรรคแปมสุคสมนัตใดๆอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นอัสาธ า, า, าแห่งเวทนาท่านก็ตรัสอย่างเดียวกันนะไปจนทั้งสุดท้ายว่าวัตตาย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติแก่บุคคลเหล่านั้น แล้วก็อธิบายเรื่องสัญญาอธิบายเรื่องสังขารอธิบายเรื่องวิญญาณดูตัวสัญญาดูตัวสังขารประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุเกิดของมันคือผัสสะนะและวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรวนะิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่เรียกว่าวิญญาณนะไม่ใช่วิญญาณที่ เราคิดว่าลอยไปตามโน้นตามนี้ไปหลอกเรานะอันนี้วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รู้ผู้ที่เข้าไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปเห็นมเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นเพราะว่านามรูปความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเกิดเพราะนามรูปวิญญาณดับกเพราะนามรูปดับเห็นไหมว่าผู้เจ้าเนี่ยใช้ว่ารูปดับนามดับซึ่งอัตมาเคยอธิบายโยงคนนั้นว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยออกจากรูปเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่ารูปดับหรือว่าวิญญาณดับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะรูปมันยังไม่ตายนี่เพราะว่าเขาไม่เคยศึกษาการใช้คาของ พระตถาคตนะมันก็เลยงงกันอยู่อย่างนี้ก็ลเลยบอกว่ามันต้องไปอ่านคำพุทธเจ้าสักหลายๆลายลอกนะแล้วใช้แต่ผู้ t h a g a r n a ก็จะเข้าใจเลยสิ่งที่พุทธเจ้าอธิบายนะว่าการดับของท่านนั้นหมายถึงการดับโดยนัยะอะไรบ้างอย่างนี้เพราะถ้าเขาเอาเอาสิ่งที่เขาจํามาจากคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะเถียงกันไม่รู้จบหรอกเพราะมันมีหลายอาจารย์ไง มันมีหลายอาจารย์แต่ตอนนี้เรากำลังกลับไปที่อาจารย์คนเดียวคือพระตถาคตเอาตถาคตเป็นอาจารย์ใช้บัญญัติศั์ของพระตถาคต